ต้องบิบัถ้าปล่อยมันเส ร, รีสติเราถอนตัวให้ทันนะดังนั้นผู้ที่ฟังจับประเด็นได้นะครั บ, ช, บชื่นอชอบแรงดังที่ตนสมโน้นครับถา น, นครับว่าของเจ้านี่ดีจริงเพราวาข้าโตขาโตาโตางมันดีรงไม่ต้องทำอะไรเลยทำที่ไหนก็ได้ไปในโซนก็ได้ไปตลาดก็ได้ ก็มันไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องลงทุนอะไรไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ดังนั้นเปนการฝึกเพลิดเพออมันไม่ต้องมานั่งหลังกดหลังแข็งหลับตากําหนดอะไรข้าวป่าก็อยู่ถ้ำเป็นปีๆอดข้าวอดน้ำ อันนี้คนละเรื่องกับสติคนละเรื่องกันเลยอันั้นเป็นวัฒนธรรมเตนีเท่นั้นดังนั้นสติไม่ใช่การสะสมด้านปริมาณและก็ไม่ใช่ด้านคุณภาพด้วยมันไม่มีคุณภาพไม่มีปริมาณแต่มันมีความไวเทนั้นเป็นการฝึกให้ไวขึ้นในการถอนตน รู้รู้ล้วก็ทิ้เลยทิ้มันความปล่อยเผออีกนั่นเองไม่ทราบควาใจมันรู้รู้สต่เสร็จแล้วปล่อยมันเผออีกเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยให้มันเผอมันก็ไม่คิดเจ้าเราก็ไม่ได้ฝึกอีกเมื่อทาอย่างนี้นะะี่ครับเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างจุดนี้เป็นจุดสําคัญมาก เป็นอย่างนี้มันจะกระตุ้นเอาตัวสติตัวในผมเรียกว่าตัวในที่จริงมันตัวเดียวกันเหมือนกับน้ําน้ำข้างนอกปูนอกนอกปูบ้านเรากองน้ำไม่ปูว่านเรากป็น้ําเดียวกันวันนี้สติตัวในจะถูกกระตุ้นขึ้นมาซึ่งในตัวนี้จะเป็นตัวลืมตัวฟัจะยุ่งเงียนหัวสตินี่แปลว่ารู้ตัวไอันนี้สติตัวที่เรากําหนดขึ้นแต่สติตัวจริงจริงนี่คือตัวมันลืมตัว ที่เราเดินไปไม่ได้กำหนดอะไรไม่รู้อะไรแต่ว่าทำอะไรถูอมันลืมอยู่ในตัวของมันตรงนี้เป็นจิตซึ่งไม่มีนิมิตผมว่าไอ้จริงที่ยุ่งยากทีก่สุดก็คือเราไม่ลงมือเอาจริงมันเลย แต่พอเราลงมือป๊อบเนี่ยเราจะกลางยึดถืออะไรบางติมเลนะเราเป็ น, น, นะนแต่ยึดถือเรื่องศีลสารเทวะธาติดพิธีดีต้องติดจันมาเป็นขั้นเป็นขั้นมากขึ้นจนกระทั่งมาขึ้นเรื่องสติแล้วยังมีเรื่องติดก็จับตัเอาติดไม่รู้ไปจับอาเรื่องสติลสตสตกลายเปเรื่องกลายเปเรื่องอะไรเข้าม า, าถามไปกระไดปฏนนิสติ ที่จะเป็นสติจริงๆมันมีอยู่แล้วในเราดังนั้นให้เห็นในขณะที่มันเกิดสดๆเชลับล๊กมือการเคลื่อนไหวของมือมันสดๆเราต้อง า, าทำงานเข้าเรากลายไม่รู้อะไร ยกอย่านี้กลายกลายเป็นคล้ายๆการบริหารจะ ต, ต้องสดสดขึ้นมาใหรู้สดสดทุกครั้งจนเต็มไปด้วยความสดสดขอของชีวิตกฤติกรมกับสดสดให้รู้ให้รู้อันนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะ ไ, ไม่ต้องไปรู้อ่ะสดสการพิเนียมจะเข้าไปสู่การลืนตัวเปนเรืองระวังวทําไปทําไมไมันจะตกระวง การรู้อะไรตรงสิ่งซึ่นประตัวนี้แสดงตัวมันออก <c oughs> การเห็นความคิดโดยต่อเนื่องโดยอัตโนมัติเป็นไปเองไปที่ไหนก็เห็นจะเดินจะนั่งก็เห็นความคิด ขึ้นมาในเรื่องดีครับสูกเปร้อยครั้งนเรื่องนี้ขอ ท, ท่างนี้ที่เป็นวัาในพุทธสาสนที่เป็นที่มาของเรื่องหนันงตะวังไทยในเศ้าลินเนี่ยเศ้าลินนี่วัดของพุทธกาหนาวัดนันมีหัวกาวหน้าสดิปฐ ประดียุคนั้ น, นยุคสงครามพรกับอะไรเรียนมวยกันทีน่จริงมันเป็นเรื่องของการฝึกสติในขณะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปทั้งตัวต้อเคลื่อนเมื่อเราจะรู้สึกที่ตาตรงยกเหนืออะไรนี้เราจะมีความรู้สึกที่มีตาแม้มันจะแสดงออกที่นี่ก็ต่าง แต่จริงแล้วอะไรบางสิงที่เป็นตัวชีวิตของเรเคลื่อนเราเคลื่อนมือนี้เราคิดว่าเราเป็นคนนอกดูเคลื่อนมันเคลื่อนมือนเออคนนี้ ก, ก็มันเคลื่อนมือแต่ถ้าเจ้าตัวมันมันรู้ตัวชีวิตเป็นการเคลื่อนของตัวชีวิตพิจารนิดนะผมยกตัวอย่างช่สมมตุติสมมุติ สักคนหนึ่งเนะรวยปวนอนกระสอบแส น, นี่สิปีสมเเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยที่วันหนึ่งเนี่ยเราเกิดกระดิกนิ้วขึ้นได้เนี่ยฉรสึกเพียเดียเราเริ่ม้นมลเ ร, เร่มกระดิกดนะันั้นการเคลื่อนไหวในตัวเองในนิดเดียวนีนที่จริงเป็นสัญาณชีวิตเนไฉนลักษณ์ที่ว่าเรามีชีวิต แต่ผู้คนมันไม่รู้สึกอันนี้ว่าเป็นจริงที่เป็นเครื่องบอกว่าชีวิตกำลังเป็นมันก็นเลยไม่เห็นความสำคัญของการเคลื่อนมือมเึลื่อนมันเข้าไปในความคิดเรื่อยที่คนจะเลยปรัชนาอยู่มันให้ความสาคัญเ ร, รื่องนี้คือเสมือนเป็นสัญญาณของชีวิตและการเรียนรู้ตัวชีวิต ควาคิดที่ไหวเคลื่อนทุกครั้งที่ความคิดเกิดติดเปลี่ยนเรื่อยเลยครับติดเปลี่ยนคย่อยๆกับท้องฟ้าเนี่ยเด๋ยวเมฆมาเนี่ยคลื่ฟ้าขึ้นเดี๋ยวหลงเปลีลลย่ยนแรงเดี๋ท้องฟ้านแต่ก็ไม่ใช่ท้องฟ้าเปลี่ยน ค, ควาเป็นไปในท้องฟ้าเนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยแต่ท้องฟ้าไม่มีกระจายีับท้องฟ้านู่นี่ได้ไหม แต่ว่ามันมีพูดแล้วเหมือนโกหกตัวเองท้องฟ้านี่มันไม่มีแต่มันมีเราเดินทางในท้องฟ้านี่เดินมันไม่จะจจบจกเลยมันไม่มีนั่นเองแต่มันปลากรอเรื่องราวจิตใจนี่ใจนี่เรมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่เรื่องราวที่เกิดที่ใจมามากผมจะเปลี่ยนธรรมจใจเมื่เราขุดถิ่ เสียงเพื่วมาขุดดินขุดหลุมหลุมดินเนาะเราบอกเราขุดหลุมที่จริงลราขุดดินไอหลุมมันไม่เกี่กับดินเลยลเราเราุดดินออกไอหลุมหลุมก็ที่จริงหลุมมันไม่มีนะแต่มีที่ดินถูกโกลยออกพ่อให้ดีเพร่เราทําอะไรกับหลุมไม่ได้เลย แต่เราทํากับดินเข้าใจเราจะให้ห hey, ลุมช่องว่างนี้แค่เนี้ยเราก็ถมดินเข้าไปแค่ครับอยากให้ช่องนี้กว้างเราปล่ยดินออกเราไม่ได้ทําอะไรกับหลุมดังนั้นจะได้ว่าหลุมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใจหนึ่งจะได้มันมีก็ได้ไม่มีก็ได <c oughs> ม้มันประหลาดตรงนี้ เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดที่ใจแต่ใจไม่มีพอเข้าใจว่าใจไม่มีแล้วเรื่องที่เกิดก็ไม่มีไปด้วยอันนี้ที่ว่าจิตไม่มีนี่ไม่พิเมันเข้าถึงใจพอคนรู้จักใจแล้วเนี่มันรู้ชักเลยว่าสิง่งทั้งหมดที่เกิด <c oughs> เกิดไปตามเรื่องตางหลางจะเทว่าเป็นความมีก็ได้เป็นความไม่มีจิ่เองมปนจุดขึ้น ผู้รู้ครั้งอดีต ไ, ได้พยายามที่จะค้นหาเทคนิคของการปฏิบัติต่างๆมองประยุกเข้าเพื่อจะแก้ไขช่วยให้คนเร่ยนรู้อย่างง่ายง่ายขึ้นนั้นโยนกท้ายเจ๊กอะไรแบบนีนประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอย่างมวยจีนที่ยืนขึ้นงลงกันต่างๆขนเลย ิ เ, เ, เป็นการเจริญติป็นการเจริญติพร้อมการบ u ิหารร่างกายเะสิ่งนี้เป็นเป็นวัฒนธรรมชั้นสูงวัฒนธรชั้นสูงของคนเอเชียโดยฟังคจีิยมข้าวหน่ยจากอินเดียจริงโยคะก็มี จุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับไอเก็กโบราณินการค้ น, น, ค น, คานาคหา ที่ซึ่งตั้งมั่นอยู่บนรีบทุกท่านัง้งซึ่งเรียกอาสน์คนหามพวกท่านนั่งอย่างไรท่านนั่งอย่างไรแต่จริงจัใจติดกรอบโง่เพราะจะค้นพบความปลอดโร่ออกไปจากรีบที่ไม่มี ถ้านั่งถ้ายินถ้าเดินตันเดินตัเป็นอรียบทจะจำตัวของทุกรูปทุกหนถ้าเราไม่สามารถเจรินสติหรือกพูดง่ายๆ่ามีความสมบสุขในการยินเดินนั่งนอเราจะไม่พบอีกเลยเราในขณะหลับไม่ต้องพูดถึงความสุขทุกคนมีสุทนมี ดังนั้นเราต้องค้นให้พบสภาวะมันเต็มในขณะที่เราเล่งนยืนเจิญหรือนอนก่อนที่หลับถ้าเราไม่พบมันในอรีตบทเส้สีนี้เราจะไม่พบมันอีกเลยงนั้นความสำคัญในการนั่ง น, นี้เองกับการเลื่อ น, นั้นมีอาจารย์ การเล่นสำคัญการรุ่นโบรนในการนั่งเนี้ยเราจะค้นพบพพุทธเจ้าแล้ในการยืนเนี้ยเราจะพบพุะพุทธะ น, น, นัในการเดินเนี้ยเราจะพบพระพุทธะ น, น, นั้นคสติเราไม่เลื่อนลอยไปจากท่านนั่งองนี้เราก็จะเห็นตัวเอง น, นั่งที่เกิดถ้อยคา าการนั่งนี้เพื่อนั่งก็แต่เดินเนี่ยเพื่อเดินโดยธรรมดาคนทุกไปก็เดินเพื่อจะไปโน้ตมันไม่ได้เดินเพื่อเดินมันไม่ได้นั่งเพื่อนั่งบางที่มันนั่งรอผู้หญิงนั่งรอผชายมันไม่ได้นั่งเพื่อนั่งแต่วก็นั่งคิดคิดตัวไปด้วยแบบ น, นี้อยู่คะก็ตาม กันจเจริญตมันเป็นการกระทาตรงๆงต่อตัวชีวิตไม่ใช่อ้อมไม่ได้ทําเพื่ออะไรอื่นวันนั้นก็นั่งเพื่อนั่งวันนั้นเป้าหมายจุดหมายปลายทางกับการกระทำมันร่วมกันอยู่ที่เดียวกันชาวญี่ปุ่นเรียกลักษณะนี้ว่าจิกันต า, านแต่ว่าแต่นั่งเฉย <c oughs> นั่งเพื่อนั่งไม่ต้องทำอะไรนั่งเพื่อนั่งดูค่อยทำแล้วมันตลกสุดขั้งจริงแเรื่องเลยเพรทุกครั้งที่เราไม่ได้นั่งเพื่อนั่งเรานั่งเพื่ออย่างอื่นเราไม่เคยอาบน้ําเพื่ออาบน้ําเราไม่เคยล้างชามเพื่อล้างชามเมื่เราอาบน้ําจิตใจเราทะล้อทะล่าจะไปทํางานให้ทันรีบอาบโมน ท, ที่คุณนั่งในรถมี ขับรถไปที่โรงเราไม่ได้เราไม่ได้นั่งเพื่อนั่งองีู่แะ้วพอถึงที่ทํางานเราก็ไม่ได้นั่งตรงนั้นเพื่ออันนั้นอยู่แล้วมันคิดจะกลับบ้านอยูง่งล้วเราก็วิ่งให้มีความคิดนตัวเองอย่างนี้ยไปกับอารมณ์ด้วยทันใดที่เราเราเข้าใจเรเรานั่งขึ้นนั่งแล้วเราก็เห็นตัวเองทันทีติดกา ร, ย, า ย, รยืนก็ยืนพก็ยืน วันหนึ่งรามันกถามพระเจ้ า, าท่านท่านปฏิบัติธรรมอะไรเจ้าตรว่าวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนคราวมันก็ระเบิดเสียงร้องมาไอ้าชาว บ, บ้านเขก็ทํากันอยู่ <c oughs> จะเรียกปฏิบัสสนาธรรมอะไรเจ้าบอว่าก็จะว่าขนาดที่เรายืนเนี่ยเรารู้นั่งเนี่ยเรารู้นอนเรารู้ชาว บ, บ้านไม่รู้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจกัน เขาจะรู้สึกขึ้นมาแล้อทางว่าทานี้มันดีจริงๆคือไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ให้ทำเพื่ออ น, นั้นเท่านั้นเองล้างชามนี้จิตใจจย่าเลื่อนอยจาก เ, กเรื่องล้างชาแต่ไมใท่เปนั่งคิดว่าเอ๊ะชามก็มออะไรอย่างนี้ก็คิดเอาอย่างเง้ก็ล้างเพื่อล้างยกมือเนี่ยก็เพื่อยกมือยกมือเพื่อยกมือเป็นเยียอยนั้นองครับใช่เลย กินก็เพื่อกินที่ผู้ไม่รู้มันมันยุ่งกินมันนั่งคิดว่าเอกินเจได้กินเนื้อบาบไม่บาบเลยนี่ไม่กินเพื่อกินมันไม่กินด้วยใช่ไมมตอนนี้มันคิดคิดคิดเอาที่เดินจงกลมกเราไปเดินคิดว่าเดินสักเดียวจะได้เกิดขึ้นมาี่อย่างนี้ไม่ได้เดินมันคิดอ่ะอันนี้จุดที่ละเอียดเรา ความคิดนี่เป็นการเดินทางิดความิดมันเดินจงกรมผ่านทางผิดวันนี้ถ้าเราเห็นนี่เป็นหัวใจของปัจจมาันเห็นคิดเห็นคิดเพื่อคิดเดิเ่มันคิดเพื่อคิดันมันไม่ได้คิดเพื่ออื่นวอนนี้ตรงนี้ครับเป็นหัวใจของ กูต้องอยู่ับ รู้สึกตัวมากๆเพื่ออันนี้จิตใจอย่าเลื่อนลอยไปจากตัวนี้เราไม่ได้ทำเพื่ออื่นไม่ได้ทำเพื่อสุขภาพทันี้ก็โย้าคะบระยุคือเรื่องเสริมสวยโยคะเพื่อเสริมสวยมันไปทำเพื่ออื่นเราไม่ได้ทำเพื่ออะไรยืดตีนก็เพื่อยืดตีนกลมตัวไว้ดิ้งๆอย่าทำเพื่ออื่น เป็นตัวมันเองทำอจะางฝืนเจ็บถ้าเราไปทําเจ็บมันมันออกเปน็นเรื่องหละเล่นหรือไม่ก็หรือไก็ทรมานไปเลยทำมันด้วยหัวใจเงีเง้ย จริงมีท่ายากๆอ ย, อยู่ทำตนน้นหอมขันนี้ขึ้นมาขันนี้นแล้มือนี้จับหังวงีตะแคงตัวไปอวสานไแล้วมือนี้จะจับ ตนไม่ต้องไปดูไม่ต้องสนใจในใครเพราะนั้นันจะไม่สำร็จเป็นเหยื่อเราไม่ได้ออกกำลังกา ย, ยานี่นั้นพอสองมือนีว่วางต้นตัวหน้ามันแนบ ไม่เลี้ยงเขาเท่เาที่ได้เเท่าที่ได้แค่ เ, เ, เรื่องตัวเรา้นๆจะไปสนใจเรื่อง น, นี้รทาไมงั้นจะเรื่องตลกยกข้างที่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องการบริารบริหรความสุขสมบูรณอันนั้นก็แค่นั้น ย, ก, ยกเพราะมีส่วนสำคัญมากกันความเงียบการเคลื่อนไหวทุกครกั้งเลยให้เงียบยกมือเพราะในความเงียบมันจะสัมผัสตัว ม, มันเอง เราจะรู้ชักขึ้นมาขึ้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวอื่นตัวนี้แต่ เ, เรานั่งนิ่งอย่างนี้ไม่ได้เพราะในการเคลื่อนหวเท่านั้นเราจึงจะรู้เจ้าตัวนี้ได้พอืมบอบรับ ตรงนี้ ยกปีนี้เราจะกขึ้นด้วยแล้วมือค้ำด ลุกขึ้นดี้อจะใช้สปริง ล, ลุกขึ้นมัน อ, อาจะยากนะโไม่ต้องใช้สปริงได้ลุกขึ้นดี้ ตอนลุกขึ้นเนี่ยสัสที่ถ้าตอนลุกเรารุกอย่งต่อเ น, นื่องเราจะรู้ึกตัว้กตืนเท่ากันอยู่ลลแล้วตอนพลองลองนอ้วก็ากึ้งสึตนิดขึ้นเมืนตลาดไม่ เ, เ้กันรจดตั้มจงมันยก เขาบอกมีอย่างนี้ไอตัวเราเัมอนกันคขาบอกว่าลุกลุกคางทีพจติดสัง่งก็ลุกลุกติดสัง่งก็เลลุก็หานี่มันแปลกนะครับแต่ถ้าเราเราเป็นคนสีขาวเราจะไม่เข้าใจทำไมนั่งดูที่ ไปยอดเงินเลื่อนแบบพิลลี่เตียนแล้วไม่เคยทำเลยเลยเลยทำง่ายๆก็เลยไปราวเดินไปดีๆเดินเดิ กูปปั ทำที่ข้างบางยกตัวขึ้นแบบสะพานยกตึ๊งๆๆๆยาวยินดีกับการที่มันจะทำไปดี ไี่ใหม่หรือเปล่า